ถ้าเราเรียนน่ะดีแต่อย่ากระโดดไปทั่วแล้วมันจะแล้วมันจะจะสรุปประเด็นในการไข้ควรไม่ได้เพราะสรุปเป็นการไข้ควรไม่ได้ก็ยุ่งแล้วแต่เนี้ยเพราะในยกเนี่ยเรียนทั้งชาติไม่จบนะไม่จบแต่ไม่ไม่ใช่ไม่สอนให้ให้เรียนเนะืเรียนแล้วเอามาสรุปให้ได้ไอ้โยนบอลใช่ไหม จะได้มีอะไรบันทึกติดไว้บ้าง <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่ได้เีย <c oughs> ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องก็ต้องทำความเข้าใจนะต้องทาความเข้าใจว่าเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาเป็นธรรมชาติที่ปิดบังสภาวะลักษณะ <c oughs> เออขอไปโมหะขอไปนะ <c oughs> ปัญญาเป็นตัวไปทำลาย ทำลายตัวที่ปิดบังคือตัวโมหะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะไม่ถูกกระทะด้วรรยปัญญาเนี่ยไม่ได้เสียบนี่นะตรงนี้นะถ้ามองมองตรงนี้แล้วก็ก็จะเข้าใจแล้ว การเรียนโดยลําดับเนี่ยหมวดทาข้อใดที่เอ่อจะเรียนแล้วก็น้องมาใช้ในการที่จ ะ, จะเจริญสุขภาพได้เอ่อคุณจะเรียนอะไรบ้างฮะก็ว่าแต่ละคนก็คงมาเรียนต่างๆไม่เท่ากันบางคนเรียนวิถจิตจประสิทธูปอันนี้พานจบแต่ว่าบางคนไม่ได้เรียนวิถีจิตบางคนก็เรียนสัตว์ใจไปเลยท่านอาจารย์ลองเอ่อช่วยข้อแนะนําว่าสิ่งที่ต้องรู้ที่จะได้เอาไปใช้เนี่ย ควรจะเป็นเรื่องราวประกอบต้นแบบอะไรบ้างก็ค่อ๋อก็คือว่าเบื้องต้นก็คือรู้เรื่องรูปนะเนี่ยเดินเดิน ต, ต, ตามที่เราเรียนกันมาทั้งหมดนะ่ยถูกแล้ว <c oughs> แล้วไปเอาวิสุทธ์สรุปในวิสุทธิมรรคนิยม <c oughs> ในวิสุทธิมรรคท่านจะเรียงรู ป, ปขันก่อนแล้วก็เวทนาสัญญาสัา้งข <c oughs> ันิยาอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ก็แปลว่าเข้าใจเรื่องรูปนามขัน5ที่ท่านต้องการจะสืบค้นให้เราได้ทิฏฐิวิสุทธิก่อนอนนะั่นแหละความเห็น แล้วก็ขึ้นถึงในด้านของปัจจัยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลำดับนั้นเลยลำดับนั้นเลยทีนี้จาถามบอกว่าหนึ่งเรียนรูปด้วยแล้วก็มาสรุปประเด็นให้ได้ว่าลักษณะของรูปทุกกลุ่มทั้งปัทวีอาโปเตโชวาโยแล้วก็สีกินรถโอชาธาทั้งหลายเหล่านี้เนะเนี่ยเข้าใจเรื่องรูปให้ท่องแท้สองก็คือกลุ่มเวทนาขัน พราะเราเรียนเรื่องกลุ่มนามมาทำมาแล้วก็มาเจาะเวทนาสัญญาสังขารแล้วเขวิญญาณเป็นต้นก็คือสรุปก็คือโลกกํานามเนี่ยแต่ต้องรู้หลังจากเราเข้าใจจิตเข้าใจเจตสิกเข้าใจรูปเบ็ดเสร็จแล้วก็เข้าใจลักษณะเข้าใจกิจของรูปอาการปรากฏของรูปแล้วก็เหตุการเหตุใกล้ของรูปเป็นต้นของรูปของเวทนาสัญญาสังขารนอย่างแล้วก็เข้าใจปัจจัยการเข้าใจปัจจัยเบ็ดเสร็จตรงนี้นะก็คือ รวมหมดแล้วในปฏิจจารทีนี้สมถะแล้วก็เรียนนี่ก็มามาจับประเด็นกันให้ได้ตรงนี้เพราะจะมีอยู่สองสายสายสมถะยานี้กวิปัสสนายานี้กับเป็นเ้ิสรุปประเด็นอย่างนี้โอ้ oh, แตนี้อันเดียวกันเลยนปฏิจจารนะี่รวมในกรรมเลยเนะี่ยรวมในกรรมนั่นแหละ นั่นแหละพอพอเลยที่เรียนเนี่ยพอกับการค่าโคนพอสมควรเลยขอให้มาประชุมให้ได้แล้วก็มามาซ้ําที่มันลืมๆไปนะมาซ้ำให้ที่ลืมๆไปเสอันไหนที่มันยังสรุปประเด็นไม่ได้ก็มาสรุปเส็ดเสร็จเนี่ยโอ้เรียนกันมาเป็นสิบสิปีใช่ไหม อันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่พอแล้วเพอเพอมันจะมันเลยกลายเป็นติดเรียนเป็นสระมั้งบางครั้งเนี่ย <c oughs> ที่จริงการการฟังทำเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเนี่ยการฟังการเรียนเป็นเรื่องที่ดีแต่สรุปประเด็นสำคัญให้ได้ดังที่ได้กล่าวเนี่ยถ้าอย่างนั้นมันจะก็เหมือนอย่างเนี้ว่าสภาพธรรมที่รู้แจ้งความจริงแห่งสภาว่าธรรมคือสภาว่าลักษณะเนี่ย อันนี้กินความหมดเลยเนี่ยรู้แจ้งสภาวะลักษณะเพราะในรูปประทามทั้งหลายทั้งหมาพูดแลหาพุทธลูปและอุปาทายลูกที่ผ่านมาที่นั่งๆั่งกันอยู่เนี่ยไม่รู้สภาวะลักษณะกันเป็นส่วนใหญ่เจําไม่ได้จำไม่ได้เรียนเลยหมดแล้วทีนี้พอจําไม่ได้แล้วก็อัดฐาเนื้อความของความเข้าใจแต่และอย่างรูปประทามล้วนๆเนี่ยนะ แล้วจะเอาร anyway, ูปประธรรมล้วนๆมาไข้ควยังไงนี่นะที่เป็นไปทางอาการ32หรือเป็นไปทางท่าสแล้วอุปาทายรูปอย่างไรที่จะมาไข้ควรที่เป็นไปตามอิยาบทต่างๆเช่นอิยาบทนที่สุดจริงๆนะมันจะมาประชุมที่ท่าสี่และมหาพุทธรูปแค่นั้นเองและอุปาทายรูปแค่นั้นเองเช่นอนาปนะบับก็คือมหาพูดและอุปาทายรูปอิยาบทบับก็คือมหาพูดและอุปาทายรูป สัมปชัญญะบาปก็คือมหมาพูดและอุปาทายรูปปฏิกูลมรสสการบัปแล้วก็ธาตุและป่าช้าทั้ง9้าคือรูปหมดเนี่ยนะสรุปก็คือมหมาพูดและอุปาทายรูปถ้าสรุปประเด็นอย่างนี้ได้นี่ชัดแล้วแต่ตอนี้ก็ดูลักษณะแล้วก็กิจแล้วก็การปรากฏแล้วก็เหตุใกล้ของรูปเหล่านั้นพอชัดต่างๆเหล่านี้อันเนี้ยเหมาะแก่การเข้าไปเจาะและ้วเข้าไปไข้ควรแล้วแต่นี้ยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหม ก็อย่างที่บอกมานี่ตามทวารต่างๆก็เป็นที่ที่จะไปเข้าใช้ยานปัญญาที่ไปวิ่งทํางานได้ได้ทุกทวารเลยใช่ไหมนี่กลุ่มรูปธรรทามนะพอหลังจากรูปประทามตามทวารต่างๆที่เป็นไปในอาการ32สองอะไรต่างๆเหล่านี้ชัดเจนไปเสร็จแล้วก็นี่ก็ขึ้นโซนานมาทำทั้งหลายอย่างงี้เป็นต้นเนี่ยถ้าอย่างนี้ตามวิถีต่างๆแล้วก็แล้วก็มองเห็นอยู่ใช่ไหมทีนี้ก็เริ่มแล้วอันนี้คือกลุ่ม รู้แจ้งสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะตามความเป็นจริงกิจจรักษาะก็คือ น, นี่ไงกำจัดความมืดมืดมิดกล่าวคือโมหะที่ปิดบังอะไรปิดบังอะไรอ่ะเ อ, อบงับงสภาวะลักษณะและบังสามัญลักษณะถามว่าถ้าสภาวะลักษณะไม่ปรากฏสามัญลักษณะจะปรากฏ ไ, ไ, ได้ไหมได้ไม่ได้ คือไม่รู้เลยว่านี่ลักษณะของรูปของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้กิจของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อการปรากฏของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เหตุใกล้ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่รู้พวกนี้เลยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้ไหมนี่ไงตรงเนี้ยหมอเนี่ยคือคือประเด็นเพราะเพราะลักษณะรัศกาปจุบฐานปทัฐานเป็นชื่อของสองยาน นามรูปปริเกทยานกับปัจจะยปริกระหัยานเป็นอย่างนี้คือโดดข้ามไปได้ยังไงเนี่ยไป ส, สังเกตดูเหรอว่าเราโดดข้ามไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไงทั้งๆ ท, ง ท, งที่ลักษณะเหล่านี้ยังไม่ปรากฏกิจการงานของสภาวธารมเหล่านี้ยังไม่ปรากฏเห็นไหมอาการปรากฏที่เป็นทั้งผลปัจจุปฐานะหรืออาการลปัจจุปฐานะผลเขาปรากฏอยู่แล้วใช่ไหม สภาวัธรรมทุกตัวก็มีผลปรากฏอยู่แล้วแต่ผลเหล่านั้นอาการเหล่านั้นจะปรากฏต่อยานปัญญาของผู้รู้หรือไม่ผู้ปฏิบัติหรือไม่อันนี้อยู่ที่การการไปไข้ควนการที่ส่งยานคือปัญญาไปดูนะถึงจะเห็นได้นะสิ่งอาการเหล่านี้ <c oughs> เป็นอย่างนี้นี่ถึงบอกว่ากําจัดความมืดที่ปิดบังสภาวลัลลศนะและสามั ญ, ญลักษณะของปรมัตถธรรมเนี่ย ถ้าหากว่าอาการปรากฏก็คือสภาพที่ไม่หลงไม่หลงไม่หลงไม่หลงกายยาไม่หลงกายไม่หลงเวทนาจิตและธรรมะไม่หลงขันห้าทุกวันนี้เราเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะเห็นเป็นหญิงเป็นชายนะเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเนะเนี่เขาเรียกว่าสภาพที่หลงปรากฏแล้วอาการปรากฏในยานในปัญญาญาณของเราไม่ถึงอ่ะใจไม่สะอาดพอ ใจไม่บริสุทธิ์พอจริงไหมเห็นเมื่อไรก็แยกไม่ได้ระหว่างลูกกับระหว่างระหว่างหญิงกับชายเนี่ยว่าด้วยความเป็นรูปขันเวมองไม่เห็นเลยอ่ะหลายชั้นด้วยนอกจากชายแล้วยังไปเห็นเป็นพ่อด้วยนะเห็นเป็นแม่ด้วยนะใช่ไหมเห็นว่าเป็นพี่ป้าน้าอาเป็นต้นด้วยนะใช่ไหมมันมันซับซ้อนมากนะไม่ใช่แค่เห็นแค่หญิงแค่ชายนะจนไปเห็นเป็นตัว ตนของเราเป็นต้นอะไรเนี้ยอันนี้แปลว่าโอ้โห oh. หนาแล้ว mm hmm. ใช่ไหมไม่วิจัยแล้วเนี่ย mm hmm. ประทัดฐานประทัดฐานมาจากคาว่า mm hmm. สมาตยถาภูตังปชานาติโ mm hmm. อาชาณติปสติติวจนโตปะนะสมาธิตัสสะประทัดฐานาในวิสุธิมาก mm hmm. ประทัดฐานนี้แสดงโดยพิเศษนะ ก็คือว่าสมาธิตระผู้ประกอบด้วยสมาธิ ท, ที่ตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงแน่นอนเนี่ยอันนี้ตัดแสดงไว้พิเศษสําหรับผู้เจริญวิปัสนาเท่านั้นนะเท่านั้นการวิปัสนาญาณต้องมีสมาธิเป็นประธ า, านวิปัสนาญาณต้องมีสมาธิเป็นประธ า, านไม่ว่าสมาธิระดับไหนนะขณิกาสมาธิอุปจาระและอปนาเป็นประธานฐานของวิปัสนาปัญญานี ของวีปัสสนาปัญญาถ้าไม่มีสมาธิจบไหมจบแล้วจะไปแยกยังไงเพราะบาลีว่า่งนี้มหาดีกาก็ขยายไว้่างว่ามีต้องมีสมาธิเป็นพระรฐานแล้วระบุไว้ด้วยเป็นพิเศษด้วยเป็นประรฐานของวิปัสสนาปัญญาเท่านั้นนี่จบแล้วงานเนี้ก็ต้องไป ต้องฉีกกำลัออกถึงจะไม่ต้องใช้สมาธิเป็นปาตระะฐานเอาสิใช่ไม่ใช่ฉีกไม่ได้ดิฉีกแล้วย่ว ง, ล, วงล่วงเลยผู้ปฏิบัติล่วงเองเนี้ตรงนี้ก็คือว่าแสงสว่างเสมอด้วยตรงนี้ท่านใช้คําว่าแสงสว่างด้นะปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างปัญญาเป็นปราศาสตความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเป็นประทิป แล้วก็สัมปชัญญะพิสูุเข้าผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วสัมปชัญญะด้วยเหตุนั้นที่ว่าสัมปชัญญะนี่ก็กำจัดความมืดนั่นเองนะในใจออกไปได้เพราะฉะนั้นปัญญาที่ไม่หลงในสภาวะลักษณะและในสามัญลักษณะแห่งปรมัตธรรมนั่นแหละปรากฏต่อยานปัญญาของผู้ปฏิบัติที่กำลังไข่ควรกำลังพิจารณาอยู่ อาการปรากฏของปัญญาอย่างนี้ชื่อว่าอุปัทานะปจจุปถานาคืออาการปรากฏคือปัญญาเนี่ยสามารถจะปรากฏกับผู้ปฏิบัติเหมือนกันนะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้โหปฏิบัติเถื่อนเพ ล, ลิน เ, เลยนะไอตัวปัญญาไม่มาปรากฏในใจของผู้ปฏิบัติอีกต้องกําหนดไหมต้องกําหนดไหมต้องกําหนดด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นอุปัทานะการะปัจจุปถานะ ปัญญาที่ปรากฏในใจของผู้ปฏิบัติวิปัสนาปัญญาเนี่ยปัญญาเป็นเหตุให้รู้ทะลุทะลวงนะรู้รู้แจ้งทะลุทะลวงเนี่ยรู้สภาวลักษณะและสามัญยลักษณะเนี่ยตามความเป็นจริง เ, ยเลยส่งผลเลยทีนเนี้ยความไม่หลงก็เกิดขึ้นั้าแตความไม่หลงเกิดขึ้นก็เรียกว่าผลปัจจุประฐานนะนี่ในอัสารินีแสดงอย่างเงี้ยเออในคำสอนแสดงไว้เงี้ย ผลปัจจุบันนะคือผลปรากฏผลปรากฏกับอาการที่ปรากฏในยานปัญญาตัว อ, อ, อย่างกันนะถ้าผลปรากฏแปลว่าอะไรส่งผลความไม่หลงเกิดขึ้นเพราะอะไรปัญญาอันเป็นเหตุแห่งการรู้แจ้งทะรุทลวงสภาวะลักษณะ ตามความเป็นจริงแล้วก็ปัญญาที่รู้แจ้งทะรุทรวงสามัญลักษณะตามความเป็นจริงแห่งปรมัตรธรรมแห่งรู ป, ปรขันแห่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแวิญญาณขันตรงนี้นะเลยส่งผลให้ความไม่หลงเกิดขึ้นปัญญานี้เรียกว่าผลปัจจุปบานผลปรากฏนี่แปลว่าปัญญาทากิจเรียบร้อยยง ผลปรากฏแล้วแล้วอาการปรากฏเป็นยังไงอาการปรากฏเป็นยังไงแสงสว่างคือปัญญาเกิดเพราะกําหนดวิปัสนาสังขารธรรมทั้งหลายกําหนดรูปขันธ์กำหนดกายเวทนาจิตและธรรมทั้งหลายนี่นแหละกําจัดความมืดความมืดในใจออกไปได้ เพราะเหตุนั้นเมื่อความมืดในใจออกไปได้ปัญญาที่ไม่หลงในสภาวะลักษณะและที่ไม่หลงในสามัญลักษณะแห่งปรมัตมธรรมมาปรากฏต่อญาณมาปรากฏต่อญาณมาปรากฏต่อปัญญาของผู้ปฏิบัติที่กําลังกําหนดวิปัสนาอยู่อาการที่ปรากฏแห่งญาณนั้นชื่อว่าอุปาทานาการะปจุปทานนะนี่เรียกอาการปรากฏอาการของปัญญานมาปรากฏในใจของผู้ปฏิบัติ ที่กำลังส่งยานไปรู้ไปรู้วิปัสนาญาณอยู่นั่นน่ะนี่เ็าเรียกอาการปรากฏยากกันนะเนะอันนี้ตามคำสอนจนผลปรากฏยังไงเมื่อกี้ก็หมายความว่าปัญญาเป็นเหตุให้รู้แจ้งทะลุทะลวง สภาวะลักษณะและสามัญแยกหนักแห่งปัณธรรธรรมตามความเป็นจริงส่งผลให้ความหล ง, ลงความไม่หลงเกิดไห ม, ม เ, กเกิดขึ้ น, น, น, นเลยอันนั้นเขาเรียกผลปรากฏแล้วผลปรากฏแล้วนี่เป็นอย่างนี้ดงนั้นปัญญาจึงเป็นลักษณะการรู้แจ้งเนาะอริยสัจ ร, รู้แจ้งทุกขสัจรู้แจ้งทุกขสัจรู้แจ้งสมุทัยสัจจะรู้แจ้งนิโรธาสัจจารู้แจ้งมรรคสัจจ์ ก็คือจตุสัจจะสมาธิฐิปัญญาที่เห็นแจ้งสัจจะทั้ง4ถ้าในชั้นของหมาอัตกถาก่อนๆท่านก็แสดงว่าปัญญาพราะสามารถรู้แจ้งธรรมทั้งหลายอันนี้จะอันนี้จะทำความไม่เที่ยงทุกขธรรมความเป็นทุกขอนาตาความไม่ใช่ตัวตวนนะเป็นต้นอะไรเป็นอินทรีย์ด้วยเป็นใหญ่ด้วยครอบงามอาวิชชาได้ปิดบังความไม่รู้สัจจะทั้ง4ประการได้เป็นอินทรีย์เพราะสามารถได้ทำ คือให้ทาที่เกิดพร้อมกันกับตนเน่เป็นใหญ่ได้ด้วยนะเป็นใหญ่ในไหนเป็นใหญ่ในลักษณะคือการรู้แจ้งสัจจทั้งสี่ประการก็เลยเรียกว่าปัญญินสีไปอะไรอย่างเงี้ยนะนี้เป็นต้นอันนี้ท่านก็ขยายในเรื่องของปัญญาเข้าไว้นี่น ะ, ะส่วนสติสติก็ลักษณะอย่งการระลึกตามระลึกเนี่ยนะ ลักษณะของสตินี้แสดงไว้หลายครั้งแล้วนี่นะสภาพที่ไม่ที่ให้ทําที่เกิดพร้อมกับตนระลึกต่อรมสถีประธานเนี่ยนี่นะตามระลึกในที่เนี้ยและหัวระลึกนี่นะกิริยาที่ระลึกเนี่ยความทรงจําเนี่ยคาว่าระลึกในที่เนี้ยตัวเขาระลึกด้วยนะตัวสตินี่นะสภาพที่ระลึกมั่นต่อรมรูปนามขันห้าเป็นต้นนะี่มันเป็นที่ตั้งของสติ ดุดแผ่นหินท the ี muscle, fire, ่จมดิ to to ่งไม่ลอยเหมือนลูกน้ําเต้าเนี่ยไม่ใช่ตัวตัวเขาระลึกด้วยแม้ทําให้ทําที่เกิดพร้อมกับตนน่ยระลึกมั่นต่อลมด้วยเช่นผัสสะเกิดพร้อมกับสติเวทนาสัญญาเอกขตาชีวิตินซีมณสิการก็เกิดพร้อมกับสติไหมเกิดพร้อมก็ทําให้เราทําเหล่านั้นตั้งมั่นด้วยระลึกมั่นในลมด้วย ไม่ใช่ตัวเขาระลึกอย่างเดียวนะตัวทำสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกันกระตนให้ระลึกมั่นต่อรมด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าตามระลึกด้วยระลึกได้ตามระลึกได้ตามระลึกได้หัวระลึกด้วยกิริยาที่ระลึกด้วยความทรงจําด้วยไม่เลอะเลือนในตัวเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เอ๊ะถ้าเราลืมบ่อยๆนี่จะเป็นสติไหมเนี่ยเป็นไหมอ้า <c oughs> <c oughs> ความทรงจําตรงเนี้ความทรงจําตรงเนี้กับสัญญาต่างกันยังไงเอาสิถามน้อยเพราะตรงนี้ท่านไปให้ความหมายความทรงจำเขาไว้ด้วสติเอไม่ใช่สัญญาเลยคืออย่างนี้ ที่บอกไปตอนเช้าไงสัญญาเนี่ยเป็นตัวขีดเครื่องหมายอสัญญาเลยเป็นประฐานของสติตัวสติจึงเป็นที่มีสัญญาที่มั่นคงเห็นไหมเพราะเาบวกกับสตนะิมีสัญญาที่มั่นคงเป็นประฐานเลยคือคือลักษณะของสติเนี่ยพอระลึกมั่นต่ออารมณ์ใช่ไหมระลึกมั่นต่ออารมณ์ สติปฐานรูปนามเป็นต้นประดุดแผ่ science, ห น, น, ผนหินที่จมเนี่ยหรือธรรมที่ไม่ให้อารมณ์คือรูปนามเป็นต้นอันเป็นที่ตั้งของสติลอยดุดลูกน้ําเต้าเนี่ยเช่นถ้าไปตั้งที่กายก็ไม่ไม่ใหไม่ใ ห, ใหกายสภาพของรูปกายทั้งหลายลอยไปจากใ จ, ใจไปตั้งที่เวทนาก็ไม่ให้เวทนาลอยไปจากใ จ, ใจไปตั้งที่จิตที่มีราคาปราศจากราคาเป็นต้นก็ไม่ให้จิตเหล่านั้นลอยไปจากใจไปตั้งที่ธรรมะ คือนิวรธรรมเป็นต้นก็ไม่ให้ทร ม, มาก ค, คือนิวรรธรรมเหล่านั้นมีการมาฉันท่านิวรรไปต้นลอยหลุดไปจากใจเนี่ยลักษณะสติจะเป็นอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าสภาพธรรมที่มั่นคงต่ออารมณ์มั่นคงต่ออารมณ์แล้วแล้วพอมั่นคงต่ออารมณ์เนี่ยสภาพธรรมที่ให้ลึกถึงกุศลความดีนะไม่ใช่เพราลึกสเปสปารด้วยนะ คำว่าระลึกถึงความดีก็คือว่าสภาพที่ระลึกเนะ่ยเป็นกุศ ล, ศลไม่ใช่อากุศลสภาพที่เข้าไประลึกเนะี่ยเพราะว่าไอ้อกุศลระลึกได้นะไม่ใช่ไม่ระลึกก็ไม่ได้<ๆ>คือระลึกเนะี่ยยังยังรักษากุศลไว้ด้วยรักษาอารมณ์รักษากุศลไว้ด้วยเนี่ยสติจะเป็นแบบนี้มอออกไหมถ้าระลึกแล้วใจเป็นบาปแล้วยังมาบอกว่าตนเองจําแม่นเนี่ย อย่างนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่สติแล้วโอ้โหจำแม่นลคือระลึกที่ได้เจ็บปวดทุกที <c oughs> เป็นไหมเป็นสติไหมแล้ว <c oughs> ทําไมระลึกได้ล่ะ <c oughs> อ่าทำไมระลึกปุ๊บนี่เจ็บปวดทุกทีไม่ใช่รักษากุศลแล้วนะตอนนั้นนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่สติแล้วเป็นวิชฉาสติอะได้อยู่ระลึกเหมือนกันมิจฉาสติมันทำได้แค่อะไร สภาวะที่แก่แล้วไม่ช้าสตินี่ท่านท่านให้อกุศลให้อกุศลทั้งหมดเลยตรงเนี้ก็คือว่ารักษาข้อปฏิบัติด้วยนะถ้าสตินะั้นต้องรักษาข้อปฏิบัติที่ดีแล้วมีประโยชน์ต่อการบรรลุด้วยอลักษณะของสติอะต้องรักษาข้อปฏิบัติด้วยเอ้ยา ควบคู่กับการที่กำลังกล่าวสติปัญญาด้วยอ๋อก็ในในกรณีที่จําลักษณะลัคนายจตุกะหรือจำจำอัดของความไม่เที่ยงเป็นทุกไปดาตาเป็นต้นเหล่านี้เป็นชื่อของสติหมดนะอันนี้คือบัญญัตินะเนี่ยการไปรู้เรื่องรูปเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิญญาณ แล้วแล้วบัญญัติยังมีการเจาะลงไปลึกมากกว่านั้นอีกนะเช่นคําว่ารู ป, ปขันคําว่าเวทนาขันคําว่าสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันหรือคําว่ารูปกราบเช่นดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาติชีวิตนวากากราบก็ดีหรือว่ารูปสิบรูปมีจักขคูมาบวกอีกมีโสตาประสาทมาบวกก็เป็นจักขคู่ธาสกกราบโสต่าธาสกกราบเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นไปตามลําดับ การที่สามารถเข้าไปรู้อย่างนั้นได้ก็ยังอยู่ในแดนของบัญญัติอยู่เพราะั้นปัญญาที่เข้าไปรู้ตรงเนี้เป็นแดนบัญญัติหมดเลยนะเพราะยัง <formats. S 1> ไม่สามารถทะลุทะลวงจนสามารถกระจายสันฐานนบัญญัติสมูหะบัญญัติความเป็นกลุ่มก้อนของสันฐานความเป็นกลุ่มก้อนของสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกันเป็นต้นเป็นไปเนี่ยอยู่ในแดนบัญญัติหมดเลยนั่นแหละคือบัญญัติเพราะั้นบัญญัติไม่ใช่อย่างที่ว่าโอ้โหพอไปเห็น บางคนเนี่ยเห็นแบบว่ายกก็อย่างนะว่าโอ้เห็นรูปรวมๆไปแล้วเนี่ยว่าเห็นปรมาจารย์แล้วนี่จบแล้วรูปประสันฐานทั้งหมดเนี่ยเป็นบัญญตัติสันตติของนามทั้งหลายแต่ละขณะขณะทั้งหลายเน่ยเช่นอาวัชนะจากขูยิญญาณสัมปติชนะสันติระโวธภปนาชาวนะตะารณมนะนี่บัญญัติหมดเลยในเะ่ยเนี่ยเนยงต่ตางๆเหล่าเนี้แต่การไปเจาะที่สภาวะตามความเป็นจริงนั่นแหละ อันน้นถึงจะเข้าสู่แดนของป ร, ม, รมัตธรรมที่สามารถไปกระจายถ้าตราบใดยังกระจายสันตติคณะหรือสมุหคณนะแล้วก็กิจกคันะเป็นต้นเหล่านั้นยังไม่ได้ชื่อว่าอยู่ในแดนของวิา ก, กาวอยู่นันเลยที่ว่าอารมณ์ที่อารมณ์เนี่ยนะก็เป็นที่ปรากฏแก่มโนทวารถูกะเพราะว่าก็เป็นที่ตั้งแห่งโละนะคะ้ เอามาให้ทุคนใจหมดนะะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยซึ่ ง, งก็อยู่ในข้อธรรมารงราะทาาที่จะมีบัญญัติคือเออใช่คืออย่างนี้นะ<ช>ว่าในกรณีาการกาหนดให้สังเกตไหมว่าประตูที่ท่านบอกว่าเป็นสี่ประตูในด้านของกายในด้านของเวทนาจิตและก็ธรรมะคือว่าบางกลุ่มก็ไปจากกายเนี่ยจากกายเนี่ยนะ คำว่าไปจากกายเนี่ยแปลว่าแปลว่าถ้ากลุ่มที่ถ้าชัดที่สุดเลยนะที่จะเดินเดินสายบรรยายนี่ต้องระวังคือบางท่านเนี่ยไปบอกว่าเออเดินเดินเดินสุดทวิปัสสนาเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไปกําหนดนา ม, มาทําก่อนเลยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้หลุดแล้วถ้าหากกลุ่มที่เขาเป็นสมาธายานิกเนี่ยอันนี้นี่เขาเจาะจากนามธรรมาก็หารูปธรรมได้อย่างนี้ น, นะ อันนี้เขาเขาชำนาญเพราะว่าเขามีฐานสมาธิเป็นประธ า, านาวิปัสสนาค่อนข้างชัดแต่ถ้ากลุ่มรูปธรรม ท, ทั้งหลายกลุ่มที่สุท้ายวิปัสสนาทั้งหลายต้องมาสายรูปธรรมอันนี้อัน น, น, นี้นี่ท่านวางหลักอย่างนั้นถึงแม้จะไปเอากายเป็นประธานที่สุดจริงก็ไปเจาะเข้าหานามรูปเอาจิตตาเอาเวทนาเป็นประธานเจาะเข้าไปก็เข้าไปดูรูปนามเน็ตอยู่ดีก็ต้องไปวิจัยรูปนามกันห เจาะจากจิตเข้าไปโพกก็ไปวิจัยรูปน้ําขันห้าเจอกจากธรรมานุปัสสนาเข้าไปเข้าจากฐานนี้ก็ไปกําหนดรอบรู้รูปน้ําขันห้าเห็นไหมไม่พ้นจยางรูปน้ําขันห้าแต่ว่าจะเดินเข้าสู่ช่องไหนก่อนแต่ไม่ใช่จบแค่เดินเข้าไปเข้าไปต้องมปวิจัยต่ออย่างงี้นะตรงนี้ก็คือว่าถ้าบอกว่าสภาพธรรมที่ให้ระลึกถึงกุศล ความดีทั้งหลายมีสติปัฏฐานเป็นต้นรักษาข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ถ้ากิจรักษาของสติก็คือกำจัดความประมาทการขาดสติที่ทำให้อารมณ์หายไปก็คือการรักษาการรักษาอารมณ์อย่างมั่นคงเห็นไหมการรักษาอารมณ์อย่างมั่นคงฉะนั้นลักษณะของการเจริญสติเนี่ยยมส่วนถ้าใครควรอยู่กับจิตตานุปัสสนากรักษา จิตที่เอามาใคร่ครวนนั้นอย่างมั่นคงไม่ปล่อยให้จิตนั้นหายไปจากความรู้สึกอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ากําหนดไปทั่วเช่นกําหนดนี่เดี๋ยวไปกำหนดนูน่นเดี๋ยวไปกําหนดนูน่นไปทั่วนี้ไปแล้วนะเนี่ยลักษณะของสติไม่เดินนะอย่างนี้นะเพราะลักษณะของสติเนี่ยเขาเอาเป็นชุดนะถ้าจะไข่ควรวนจิตตาอนุปษษัสนาช่องทางนี้เหมาะแก่ตนเองที่จะเข้าเจาะเข้าไปกําหนดรูปนามตามความเป็นจริงเป็นต้นในช่องของขันธ์หน้าเนี่ยเขาเดินจิตเนี่ย แล้วก็เจาะสะภาวัฒน์ที่เกิดร่วมกันกันกนจิบเป็นต้นเหล่าเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นอย่างเราโดยมากก็ที่เราทํากันอย่างทุกวันนี้ก็เอาก็อะไรเกิดขึ้นก็วาวไปเรื่อยๆใช่ไหมอาศัยว่าเพ่ง ก, การป้องกันกีเลสไปก่อนวันๆหนึ่งวันๆหนึ่งแค่นั้นแหละแต่ถ้าเป็นร่ำเป็นสรรไปกําหนดไปทั่วอย่างนี้ไม่ทันได้เห็นอะไรเลยเนี่ยก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเื ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะจะมองออกนะ ตรงนี้ทำที่รักษาจิตและรักษาอารมณ์ก็คือเนี่ยอาการปรากฏมุ่งหน้าตรงตัวอารมณ์ของจิตด้วยแล้วก็รักษาจิตด้วยรักษากุศลจิตแล้วก็รักษาอารมณ์ของกุศลจิตสตินั้นจะมี2ส่วนรักษาจิตรักษาอารมณ์รักษาจิตเช่นถ้าหากในหมวดของกายานุปัสสนาก็คือรักษาจิตแล้วก็รักษากายานุปัสสนาที่จะให้จะให้ปัญญาไปทํางานสติก็ตามระลึกอยู่นั่นแหละ ปัญญาก็เข้าไปเจาะเข้าไปเจะเข้าไปแทงเข้าไปทําให้ทะลุทะลวงใช่ไหมรู ป, ปรกายทั้งหลายเป็นต้นในเวทนาจิตและธรรมะก็ในรักรักษณะจริงประทัดฐานเลยห อ, อกมีสัญญาที่มั่นคงนะตรงนี้ก็คือว่าจะปฏิบัติสติปัฏฐานต้องรู้และต้องจําเรื่องสติปัฏฐานใช่ไหมจะปฏิบัติในเรื่องของรูปของเวทนาสัญญาต้องรู้ลักษณะเป็นต้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อันนี้พอเข้าใจเบ็ดเสร็จอย่างนี้ก็ได้ฐานแล้วแล้วก็นั่นแหละรักษาสติปัฏฐานมีกายเป็นต้นเลยเป็นประทัดฐานไปตรงนี้เป็นเหตุใกล้เป็นเหตุใกล้ของสติปัฏฐานมต่อไปก็อภิชาอภิชาเนี่ยตรงนี้ท่านกล่าวถึง ก็คือโลภะนั่นเองนะในที่นี้อภิชาเนี่ยอภิชาก็คือความโลภความกําหนัดนี่นะกําจัดอภิชาและโทมนัสมีนิเทศว่าโลกเป็นชนไหนจิตนั่นเองชื่อว่าโลกในที่เนี้เอาจิตนะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุปาทานขันห้าก็ชื่อว่าโลกนี้ว่าโลกอภิชาเป็นโลกนั้นก็เข้าใจแล้นะก็คือขันห้านั่นแหละที่ทรงหมายในที่นี้ อุปท า, านกันท่าเป็นมหาโจรไหมหมอเป็นไม่เป็นเป็นยังไงอ้าวเป็นมหาโจรอธิบายดิว่าเป็นมหาโจรยังไงอ้าเป็นมหาโจรยังไงมันพ้นกุศลไงอ้าวถ้าถ้าหมอเดินไปกับมหาโจรรู้ว่าคนคนี้เป็นโจรหมอหมอจะก็ไว้ใจไหมถ้ามีทรัพย์ไปด้วยเนี่ยมีเงินทองไปด้วยไว้ใจเขาไหมต้องหาทางหนีไหม แล้วหมอไปกับรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเที่ยวกับเขาอยู่ไม่ยังไว้ใจเขาอยู่หรือ <c oughs> ไม่ควรไว้ใจแล้วนั่นแหละมหาโจรเขาจะป้นกุศลเราตลอด <c oughs> เราเราโดนเขาป้นตลอด <c oughs> เขาเป็นมหาโจรไม่ปลอดภัยคนฉลาดเขาจะต้องหาหานทางแล้วคิดตลอดเวลาแล้วเขาจะเจอทางหนีเมื่อไหร่เขาก็จะรีบหนีไป <c oughs> ตอนนี้ทางภาษาสดาบอกหนีไว้แล้วหมอทาไมไม่ยอมไปสัที จะรอใครรอให้ปนโดนป้นหมดเนื้อหมดตัวน <c oughs> ยอสนมสุวรรณว่าไง <Okay. S 1> พระศ า, าสดาก็บอกทางอยู่ใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วก็รู้ว่ารูปปันเวทนาสัญญาสัญญาณพระศาสดาเป็นมหาโจร <c oughs> เขาหลอกลวงเราอยู่ <c oughs> เอาอะไรทำให้อะไรทำให้หมอไปไม่ได้ นี่ไงอภิชาและโทมานาติกำลังจะพูดนี่ไงใช่ไหมนี่แหละอภิชาและโทมานาติแหละตัวนี้แหละทาให้หมอไม่อยากจะออกทั้งๆ ท, ที่อ่านทางมาหลายรอบแล้วเนี่ยฟังทางมาก็หลายครั้งแล้ว มาเมื่อเช้าเนี่ยมาฟังท่านสุมเมธาดาบทเนี่ยตอนนั้นนี่นะที่ที่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่ในในสุมเมธาคาถาฟังท่านพูดแล้วท่านติเตียนรู ป, ปกายอะ่ะท่านเตียเตียนน่ยติเตียนรู ป, ปกายตั้งแต่เป็นคารวาสเลย ท่านบอกว่าท่านมาพิจารณาถึงในด้านของรู ป, ปกายของท่านมท่านไปท่านบอกว่าท่านจะ ม, มัวเพิดเพลินอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยที่นคํคำสอนที่บอกว่าบุคคลผู้ตกอยู่ในหลุมคูดแล้วเห็นสระน้ำเต็มแต่ไม่แสวงหาสระน้ำนั้นนั่นไม่ใช่ความผิดของสระน้ำแม้ชั้นใด เมื่อสระน้าที่ชำระมวลทินคือกิเลสมีอยู่แต่บุคคลไม่สแสวงหาสระน้ำจะไปโทษสระน้ำนั้นไม่ได้ทีนี้ก็เมื่อเมื่อมาพิจารณาบอกว่าเมื่อทางปลอดภัยมีอยู่บุคคลผู้ถูกกิเลสก้มรุมแล้วไม่สแสวงหาทางนั้นไม่ใช่ความผิดของทางแล้วตอนนี้เราเป็นไข้เราเป็นไข้อะ หมอคือภาษาสดามีอยู่แต่ไม่ไปรักษาเยียวยาไปโทษหมอไม่ได้ชั้นใดตรงนี้ท่านก็นเลยบอกว่าในคำสอนที่ท่านใช้คำว่าว่าเราพึงเป็นผู้ไม่เหลียวแลต้องการสละกายที่เปื่อยเน่าอันสะสมได้ซากศพนี้ไปเถิดเหมือนบุรุษลังเกียทซากศพที่ผูกไว้ที่คอแล้วเปล้องออกไปก็จะมีความสุขมีเสรีมีอำนาจตามตนเองชะนั้นว่าไง ตรงนี้นะในชั้นของคำสอนท่านบอกว่าตรงเนี้ยท่านบอกว่าเราพึงสละกายที่เปื่อยเน่าที่เต็มไปด้วยซากศพต่างๆนี้ดุดการถ่ายอุจจาระไว้ในส้วมเหมือนบุรุษหรือสตีที่ถ่ายมูดและคูดไว้นะที่ถ่ายแล้วก็ไม่เหลียว ม, มองหรือต้องการเมืฉะชนั้นแล้วก็บอกว่าตรงคำว่ากายนี่เป็นมหาโจรท่านบอกว่า เราจาักสละกายที่มีช่อง9ก้าช่องไหลออกเป็นนิดนี้ดุจเจ้าของเรือทิ้งเรือเก่าที่ค้ำค่าเหมือนเจ้าของเรือที่ทิ้งเรือทีุ่ดโทมที่หักพังที่รั่วไหลไม่เหลียวแลไม่ต้องการแล้วหนีไปฉช่นั้นนี่เนี่ ย, ยตรงนี้ท่านใช้คาว่ายาทาเปปุเรโสโจเรหีคาชันโตพันธมาดิยา พันดาเชตพยังทิสวาชาทายตวานาคชาติเอวเมวะายังกายโยมหาโจรสาสมวิยามหายิมังขมิสามีกุสราชเชทนาพยาบอกว่าเราจะสลักกายที่เป็นประดุลมหาโจรใหญ่นี้ เพราะกลัวจะทำลายอะไรจะทำลายกุศลของเราทุกระดับทานากุศลศีลกุศลและภาวนากุศลหรือศีลสมาธิปัญญากุศลเน่เหมือนบุรุษถือสิ iche, ส ambition, ส่งของเดินทางไปกับพวกโจรแล้วเนี่ยเห็นไัยแล้วเนี่ยก็รีบทิ้งโจรไปเพราะเห็นไัยคือการป้นซ okay. ั์ตอนนี้ก็บอกเออเราเห็นไหมเนี่ย เรามาคอเคลียกับรู ป, ปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เนี่ยทำไมพระองค์สอนกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาเพราะต้องการนี่เห็นขันห้าเนี่ยหมอโดยความเป็นมหาโจรในสังสารวัตรที่ผ่านมาเราถูกมันดักมันตีมันป้นซับเราหมดและเราก็วิบัติมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไม ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราเสียหายไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วอริยทราพย์เสียหายไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็พราะนี้แต่ขอเคลียร์กัรูปขันนี่แหละเขาอากตันยูทั้งนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารมยญญานเขาไม่รู้จากคุณใช่ไหมเขาเนี่เราคุณด้วยเขาเป็นขันธูปทีไงอุปทีคือขันด้วยตรงเนี้ยขันเราดําริอย่างนี้แล้ว จึงได้ให้ทรัพย์หลายร้อยโกดแก่ฝูงชนผู้มาผู้มีที่พึ่งและไม่มีที่พึ่งแล้วเข้าสู่ป่าหิ ม, มผพานเห็นไหมพระองค์ต้องทนลำบากในการไปแสวงหาทางเนี่ยแล้วทางนี้ได้แล้วมาเปิดเผยบอกเราแล้วเนี่ ย, เ, ยเราฟังแล้วเฉยๆน่นชอบกนนะใช่หมไม่ตื่นเต้นเลยเลยคนที่บาเพ็ญบา ร, รมีมาเหนื่อยยากว่าพวกเราขนาดเนี่ย ผูกเราไว้ในฐานะเป็นบุตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พ่อทำไว้ขนาดนี้แล้วยกมาวัดทำไงออปล่อยไปเดี๋ยวหาพ่อมาไม่ควรใช่มอันนี้เมื่อเสียสงไขที่ยังไม่ได้รับพยากรนะเนี่ยท่านคิดแบบนี้ก็ปัญญาระดับนี้แล้วถ้าท่านฟังคาถาแป๊บเดียวท่านบรรลุก็เนี่ยบอกไม่ได้หรอก ถ้าท่านบรรลุท่านก็เห็นทางคนเดียวไม่สามารถจะมาบอกทางกับพวกเราได้ท่านเลยยืดสังสารวัฏอีกเสียสงขายายิ่งด้วยแสนมหากรท์เนี่ยทำไมไม่เห็นคุณค่าของท า, งทางที่บอกในสติปัฏฐานไว้ใช่ไหมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินี้เป็นทางนะที่จะได้ออกจากมหาโจรคือกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัส จะได้ออกจากมหาโจรคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณมหาโจรเนี่ยมันจะคอยดักป้นพวกเธอทำให้กุศลของเธอหายหมดว่างั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นมหาโจรใช่ไหมกายเนี่ยเป็นมหาโจรเนี่ยก็บอกมาอย่างนี้แล้วเหล่านี้เราก็เริ่มเรียนกันแล้วใช่เรียนทางด้วยเรียนรู้จักมหาโจรด้วยแล้วท่านอุปมาแยๆ่ๆเบ็ดเสร็จเห็นไหมเนี่ย ท่านอุปมาในเรื่องของสภาพของขันห้าเนี่ยท่านยึงบอกว่ายังนูมิตังปูทิกายังนานาคุณาปปุริตังชาทธยิตวานะคเฉยยังอนาเปโค อ, อนาธิโกโอบอกว่าชะไหนหนอเราเพิงเป็นผู้ไม่เหลียวแลวต้องการสละกายที่เปื่อยเน่าเนี่ย อันเต็มไปด้วยซากศพต่างๆแล้วทิ้งไปเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยชาติดมโมโหชะราด ม, มโมชาติด ม, มโมสหังตาดาอชาชรังอบาตังเคมังปริยเยสิสามีนิพุติงในการนั้นเราเนี่ยมีปกติเกิดมีปกติแก่มีปกติป่วยไข้ยอยู่เป็นนิด ท่านบอกว่าท่านจักสแสวงหาพระนิพพานอันไม่แก่ไม่ตายอันเป็นแดนกเกษมตอนนี้พรุทธเจ้าสแสวงหาพวกเราเบสเสร็จใช่ไม่บอกทางหนึ่งด้วยเนี่ยบอกสติปัฏฐานเนี่ยเอกายโนอายังพิฆเวมัคโคไงมีทางสายเดียวเท่านั้นแหละวิจัยรู้ประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประดุดดังมหาโจรที่คอยดักป้นกุศลความดีของเธอทั้งหลายเนี่ยให้ได้พระเอาพิชชาละโทมานัสใช่ไหม ล้วพิชาและโธมานัทก็จะสลัดทิ้งกายเปื่อยเน่าอันเต็มไปด้วยซากศพต่างๆเนี่ยยังก็ตกหลุมคูดเนี่ยนะตกไปแล้วมันนอนแช่อยู่เนี่ยไม่ยอมลุกออกจากหลุมคูดเลยสระมีอยู่ข้างหน้าพระศ า, าสดาก็บอกทางบอกสระอยู่ใช่ไหมความสงบเย็นแล้วก็นั่งเฉยอยู่เนี่ยศึกษาแล้วเอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเป็นไปทำไมทนเปื้อนกันนานเหลือเกินนใช่ไหม จบอลยังสฐานม่ไจบอลกายายนันกายบาาสมมุติเราดเนินไปในสฐานอันดอันนีเาสาบรรลุได้ใช่ครับอ๋อไปประชุมกันได้ได้ใช่ไปประชุมกันได้ไปถึงมคได้ใช่ไปประชุมกันทั้ง4ี่ฐานอ๋อไปประชุมทั้งฐานได้แล้วเป็นปัจจัยบรรลุได้หมด แต่ก็ต้องถามว่าใครด้วยนะเนี่ย <laughs> ต้องก็ง <c oughs> จ้าอะไรเป็นประตูแรกแห่งการเข้าไปที่จะเข้าไปวิจัยขันฮะ